บรรยายธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีมวลที่สี่โดยพระมหาเัรอบทิตาสีโลบุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนสองกตัญโูกะตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและทำตอบแทนเรการแรกขอให้ท่านมาทำความเข้าใจกับคำว่ า, าบุพการีเสียก่อน คำว่าบุพการีหมายถึงบุคคลผู้ทำอุปการะแก่คนอื่นโดยไม่หวังการตอบแทนบุปการีเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารสี่ประการเป็นลักษณะหน้าที่ของบุปการีก็คือทำอุปการะก่อนทั้งตามหน้าที่และไม่ใช่หน้าที่ของตนโดยไม่หวังการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็หมายความว่า บุคคลผู้มีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีมีจิตประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมสี่ประการคือหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามุทิตาสี่อุเบกขามุ่งกระทาอุปการะคนแก่คนอื่นเพื่อหวังความสุขความเจริญแก่เขาไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามโดยไม่หวังผลตอบแทนในภายหน้าอย่างนี้ชื่อว่า บุปการีทีนี้ประเภทของบุปการีมีใครบ้างาบุปการีก็คื อ, อท่านจำแนกไว้สี่ประเภทคือหนึ่งมารดาบิดามารดาบิดาสองอุปชาอาจารย์สามพระราชามหากรสัตต์สี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มารดาบิดาได้ชื่อว่าเป็นบุปการีเพราะท่านทั้งสองนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมสี่ประการมีเมตตาจิตบำรุงเลี้ยงดูบุตรธิดาของตนให้ได้รับความสุขกล่าวคือคอยห้ามป ร, รามบุตรของตนไม่ให้กระทำความชั่วมีประการต่างๆเช่นไม่ให้ประพฤติตามอบายามุขมีดื่มน้ำเมาเป็นต้น คอยแนะนำพร่ำสอนบุตรธิดาของตนให้ตั้งอยู่ในความดีรู้จักกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นให้ศึกษาศิลปวิทยาตามสมควรแก่ฐานะที่ตนจะอนุเคราะห์ได้จัดหาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้มอบทรัพ์สมบัติให้เมื่อเห็นว่าบุตรธิดาของตนมีความสามารถจะรักษาทรัพสมบัตินั้นได้ อุปชาอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นบุพการีเพราะท่านทั้งสองนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตาจิตย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสถานห้าประการแนะนําให้รู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์มีคุณความประพฤติสิ่งใดไม่มีประโยชน์มีโทษไม่ควรประพฤติเป็นต้นบอกศิลปะวิทยาให้สิทธิ์ได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง บอกศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพรางคือไม่หวงความรู้สเมื่อสิทธิประกอบคุณงามความดีก็ประกาศเอื้อติคุณให้ปรากฏในเพื่อนฝูงห้าเมื่อสิทธิจะไปอยู่ในที่ใดก็ฝากฝังให้อยู่ในที่สมควรสามารถให้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาประกอบสัมมาชีพได้โดยสะดวก พระราชามาหากรสัตย์ได้ชื่อว่าเป็นบุพการีเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตาจิตเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารีทรงประกอบด้วยศีลธรรมเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความซื่อตรงต่อหน้าที่มีความสุภาพอ่อนโยนทั้งกายและวาจาไม่แข็งกระด้างวางพระองค์เหมาะสม ไม่เกลี้ยกล่อดโดยไร้เหตุผลไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนรู้จักข่มใจและห้ามใจตัวเองได้ทรงอดทนต่อกิเลสและทุกนานานบประการไม่ประพฤติผิดทำนองคลองทมทรงปกครองพระสนิกรโดยไม่ลำเอียงด้วยอคติทั้งสี่เพื่อมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักสําคัญอย่างแท้จริง ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระองค์นั้นจะต้องลำบากพระวรกายในการที่ออกไปเยี่ยมเยืยนหรือพูดง่ายๆก็คือว่าออกไปประทานความสุขให้กับพระสนิกรของพระองค์พระองค์จะต้องลำบากพระวรกายด้วยการขึ้นเขาลงห้วยหรือว่าลงน้องคลองทาน ไม่ว่าราษฎรของพระองค์จะอยู่แห่งหนตำบนใดจะลำบากอย่างไรพระองค์ก็เสด็จไปถึงหน้าที่นั้นเท่ากับว่าเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ราษฎรของพระองค์มีทุกข์พระองค์ก็ทุกข์ด้วย <c oughs> ราษฎรของพระองค์มีสุขพระองค์ก็สุขด้วยฉะนั้น พระองค์จึงเอาพระไทยใส่ใจกับราษดรของพระองค์ทั่วทุกมูม่มภาคไม่เคยละเว้นด้วยเหตุนี้เนีจึงได้ชื่อว่าเป็นบุพการีบุคคลพระองค์ถือว่าเป็นเบ้าหลอมดวงใจของพระศกนิกรทั่วทั้งประเทศเป็นศูนย์รวมดวงใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจากนั้นความเป็นเอกราชอยู่ได้ ก็เพราะมีพระราชามหากรย์เป็นจุดยืนเป็นจุดรวมพลังจิตใจของพระศกนิกรส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นบุพการีเพราะพระองค์ทรงอาศัยพระเมตตาจิตคือทรงมีเมตตาแก่เวนยสัตเป็นที่ตั้งทั้งจาก ที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงแสดงธรรมสั่งสอนเวนยสสัตว์หรือชาวโลกทั้งหลายให้ได้รู้ตามเห็นตามตามแต่กําลังสติปัญญาความสามารถของผู้นั้นเพื่อจะทําตนให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏคือการเวียนว่ายคือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทด้วยพระโอวาทอันเป็นหลักสามประการคือหนึ่งให้เว้นจากการทำความชั่วทุกอย่างทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ 2. ให้ประพฤติชอบคือประกอบคุณงามความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจสา ให้ทำจิตใจของตนให้หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมีโลภโกรธหลงเป็นต้นซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาความหมายของกตัญญูคําว่ากตัญญูหมายถึงบุคคล <c oughs> ที่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นที่ทําแล้วแก่ตนหมายความว่า ความหมายของกะตะเวทีก็คือหมายถึงบุคคลที่ตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นที่ได้กระทำแก่ตนฉะนั้นสองศัพท์คาว่ากตัญญูกะตะเวทีเมื่อรวมกันแล้วก็คือเป็นกตัญญูกะตะเวทีหมายถึงบุคคลผู้ระลึกถึงอุปการะคุณที่ผู้อื่นได้ทำไว้แก่ตนแล้วกระทำตอบแทนอุปการะคุณนั้นลักษณะของความกตัญญูกะตะเวที ต้องเป็นผู้รู้จักคุณค่าแห่งการกระทําความดีของผู้อื่นและแสดงออกเพื่อบูชาคุณความดีนั้นหน้าที่ของกตัญญูกตตะเวทีต้องตอบแทนอุปการะคุณของท่านเท่าที่จะกระทําได้ตามโอกาสและความสามารถจะอำนวยให้อันนี้ก็หมายความว่าบุคคลผู้ระลึกถึงเนืองเนืองซึ่งอุปการะคุณ ที่ท่านบุพการีได้กระทำไว้แล้วแก่ตนแล้วกระทำการตอบแทนในภายหลังโดยขวนขวายที่จะกระทำตอบแทนเมื่อมีโอกาสเป็นการประกาศเปิดเผยอุปการะคุณของบุพการีนั้นให้ผู้อื่นรู้เปรียบเสมือนบุคคลที่เป็นหนี้ท่านอยู่ไม่ลืมบุญคุณของท่านตั้งใจขวนขวายใช้หนี้ท่านฉะนั้น บุคคลเช่นนี้ชื่อว่ากตัญญูกะตะเวทีอันหนึง่งบุคคลที่เพียงแต่รู้อุปการะคุณบุคคลที่เพียงแต่รู้อุปการะคุณยังไม่ได้กระทําตอบแทนอุปการะคุณนั้นจะเรียกผู้นั้นว่ากัตัญญูกะตะเวทียังไม่ได้เพราะว่ากตัญญูและกะตะเวทีทั้งสองคำนี้เป็นเหตุผลของกันและกัน คือรู้คุณท่านจัดเป็นกระตันยูแล้วทำตอบแทนคุณท่านจัดเป็นกระตะเวทีถ้าเพียงแต่รู้คุณท่านก็คือเป็นผู้รู้คุณท่านนั้นยังไม่ได้กระทาตอบแทนต่อเมื่อทาตอบแทนนั่นแหละจึงเรียกว่ากระตันยูกระตะเวทีต้องมีทั้งเหตุและผลสมกันจึงจะจัดได้ว่าเป็นกระตันยูกะตะเวที ฉะนั้นบุคคลผู้กรตัญยูกระตะเวทีนั้นท่านจำแนกออกเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งบุตรธิดาต้องมีความกรตันยูกระตะเวทีต่อปิดามารดาสองสัตธิทวิหาริกหรืออันเตวาสิกหรือบรรดาสิจานุสิตต้องกรตันยูต่อครูอุปชาอาจารย์สามราษฎรหรือพระนิกรประชาชน ต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อพระราชามหากษัตริย์สี่พุทธบริษัทจะต้องมีความกตัญญูก ต, กตเวทีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุที่ท่านเรียกบุคคลทั้งสองประเภทคือบุพการีและกะตัญญูกตเวทีเป็นบุคคลหาได้ยากเพราะว่าคนเรานั้น ถูกอวิชาความเขาไม่รู้ตามความเป็นจริงและตัณหาความทยานอยากเข้าครอบงํามุ่งแต่ประโยชน์ตนฝ่ายเดียวเมื่อตอนเองได้รับความสุขแล้วก็ไม่แลเหลยวหรือคํานึงถึงเผู้อื่นฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะทําตนให้เป็นบุพการีได้ส่วนผู้ที่ได้รับอุปการะจากผู้อื่นแล้ว โดยมากมักรู้จักแต่คุณไม่รู้จักตอบแทนหรือบางทีไม่รู้จักบุญคุณเอาเสียเลยฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะทำตนให้เป็นกระตันยูกระตะเวทีได้บุคคลที่ได้รับอุปการะจากผู้อื่นแล้วท่านเรียกว่าเป็นหนี้ท่านอยู่เมื่อได้ทำตอบแทนอุปการะของท่านแล้วชื่อว่าได้เปลืองหนี้แล้ว อันหนึ่งสังคมของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นหมวดเป็นหมู่และมีการหาเลี้ยงชีพเนื่องถึงกันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นต้นจะเรียกผู้ขายว่าเป็นบุพการีและจะเรียกผู้ซื้อว่าเป็นกระตันยูกระตะเวทีไม่ได้เพราะว่าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อไม่ได้กระทําต่อกันด้วยเมตตาจิต เป็นการแลกเปลี่ยนกันตามคตินิยมของสังคมเท่านั้นฉะนั้นอานิสง์ของความกตันยูมีสิบเอ็ดประการดังจะกล่าวต่อไปนี้คือคนที่มีความกระตันยูกระต่เวทีย่อมจะได้รับอานิสงหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษคือผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจสองเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของนักปรับทั่วไป สามเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสี่เป็นทางไปสู่มหากุศลตามลำดับห้าชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคือมีสติทุกเมื่อหกเป็นผู้มีแก่นทาประจําใจเจด็ดได้รับประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้า และปรามัดถประโยชน์คือพระนิพพานแต่ย่อมรักษาพระัทธธรรมทั้งสามคือปริยัติธรรมหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนตหรับตำราวิชาการต่างๆปฏิบัติธรรมก็หมายถึงว่าปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาตามศีลสมาธิปัญญาและปฏิเวทธรรม ได้ผลอันเกิดจากการปฏิบัตินั้นคือรู้แจ้งเห็นจริงจนได้รับความสุขกายสบายใจถึงที่สุดคือได้มรรคผลนิพพานไว้ได้เก้า <9. S 1> เป็นผู้ชื่อว่าจเจริญรอยตามนักป ร, รารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นสิบย่อมเป็นผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐสิบเอ เป็นผู้เลอเลิศด้วยคุณธรรมสามประการคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาและผลดีจากความกตัญญูกะตะเวทีมีสิบเอ็ดประการคือหมายความว่าคนที่มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนั้นย่อมจะได้รับผลดีกับตัวเองอันเป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญ คือหนึ่งจเจริญในประโยชน์ปัจจุบันก็คือหมายความว่าในปัจจุบันนี้มีความจเจริญก้าวหน้าจะทํามาอาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทํามาหากินอะไรก็แล้วแต่ทํามาค้าขายทําไร่ทํานาทําสวนรับราชการอะไรก็มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเรียกว่า จเจริญด้วยลาบยศสุขสรนเสริญบริบูรณ์นี่เรียกว่าจเจริญในประโยชน์ปัจจุบันแล ะ, จะเจริญในในประโยชน์ในชาติหน้าก็คือว่าแม้ว่าจะไปอยู่แห่งหนตําบลใดหรือในสัมภารยาภพก็มีความสุขกายสบายใจเรียกว่าไปเกิดในที่สูงไปเกิดในสุขติอย่างต่าๆก็เป็นได้มนุษย์สมบัติสูงขึ้นไปก็สวรรค์สมบัติสูงขึ้นไปจนถึงนิพพานสมบัติ ก็คือได้รับประโยชน์อย่างยิ่งคือพันิาพานนั่นเองข้อสองพ้นจากภัยพิบัติต่างๆทั้งปวงอย่างเช่นสุวรณวรณสามสุวรรณสามในเพราะมีความกระตันอยู่ต่อมารดาบิดาเพราะความกตันอยู่นี่แหละตัวเองนั้นแม้ว่าจะถูกภัยพิบัติต่างๆถูก สอนอาบด้วยยาพิษของในพรานของของก บ, บินอของก บ, บินราชาจนกระทั่งสลบลงไปแต่เพราะความกระตันอยู่นั้นทำให้เทพตินดาผู้สิงสถิตอยู่ในที่นั้นได้ได้ช่วยทำให้ยาพิษนั้นหายไปได้สามพ้นจากทุกอันเกิดขึ้นแล้วเช่นแรงโพธิสัตว์ แม้ไปปิดบ่วงของในพรานแต่เพราะเป็นผู้มีความกระตันอยู่ก็หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้สี่ได้ลากเช่นนกแขกเจ้าเลี้ยงพ่อแม่ย่อมจะมีลากยศบังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาห้าได้ยศเช่นนายสุตนะได้เป็นเสนาปดีเพราะเป็นผู้มีความกระตันอยู่หก ได้รับแต่ความยกย่องสรรเสริญมีความสุขเจ็ดพ้นอันตรายเช่นรามบุรุษแปดร้อนถึงเทวดาเช่นนางกัดจานีเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีคนมีความกระตันอยู่แล้วหรือจึงปล่อยให้คนเฒ่าคนแก่ที่เป็นพ่อเป็นแม่จึงต้องลำบากลำบนข้อเก้า เข้าถึงพรมหมโลกเช่นดาบทสองพี่น้องเพราะบำรุงพ่อแม่กระตันอยู่ต่อพ่อแม่จะบำเพ็ญเตียนก็ได้คุณธรรมชั้นสูงจนเข้าถึงพรมหมโลกข้อสิทธ์ตายก็มีคนสร้างอนุสาวรีย์ให้เช่นช้างโพธิสัตว์นะเช่นช้างโพธิสัตว์ แม้ว่าจะถูกคนอื่นฆ่าตายเพราะความอัปตันยอูอาักตันยูของของคนนั้นทั้งๆที่ว่าช้างนั้นพยายามแสดงความกตัญญูช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยากความลำบากจากการหลงทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนนั้นกลับคิดทำอันตรายแต่ภายหลังนั้นก็ทำให้มีผู้เห็นคุณค่า ของช้างโพธิสัตว์จึงได้สร้างอนุสาวรีย์ให้สิบเอ็ดเป็นพลวะปัจจัยส่งให้ถึงมรรคผลนิพพานได้นี่เป็นเรื่องของความกระตันยูกะตะเวทีนะฉะนั้นที่พูดมาทั้งมดนี้เป็นหลักที่นักเรียนนักศึกษาควรจะต้องกำหนดจดจำเป็นประโยชน์ในการสอบก็ดี แล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติสําหรับตนเพื่อความเป็นคนดีอเป็นคนที่จะได้รับยกย่องจากคนทั่วไปฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องความกระตันยูกะตะเวทีโดยพิสดารเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายะจะได้ฟังได้เข้าใจและทราบซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง อาพระคุณของพ่อแม่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนที่มีความกระตันอยู่ย่อมเป็นผู้ที่สร้างโอกาสเพื่อจะสนองความดีตอบแทนแก่ผู้มีพระคุณและก็ยกย่องเชิดชูไม่ปิดบังอําพรางและก็ชักนำคนอื่นให้นิยมยินดีทำคุณความดีเช่นนั้นอีกด้วย คนกระตันญูเป็นคนไม่อิ่มในการตอบแทนคุณของผู้อื่นเหมือนบัณฑิตไม่รู้จักอิ่มในคําสุภาษิตเหมือนดวงตาไม่รู้จักอิ่มในรูปเหมือนทะเลไม่รู้จักอิ่มน้ําคนกระตันญูเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณและสนองตอบบุญคุณของผู้มีพระคุณด้วยน้ําใจสุจริต ผู้ใดไม่ละทิ้งผู้มีคุณในคราวจบทุกไดย้ยากหรือประสบอุปสรรคอันตรายต่างๆแม้ที่สุดติดตามไปจนถึงป่าชาในเวลาสุดท้ายคือจบชีวิตผู้นั้นจัดเป็นคนกระตันอยู่โดยแท้การกระทำความดีแก่ผู้มีคุณเหมือนทำความดีให้กับตัวเอง ความกตัญญูกะตะเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีเป็นมิ่งขวัญของคนดีเป็นสิริมงคลของคนดีและของตัวเองการแสดงความกตัญญูเป็นการแสดงความซื่อสัตย์ตอบแทนผู้มีพระคุณเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของคนดีคนกตัญญูย่อมนึกถึงแต่ความดีของผู้มี พระคุณอันมีในตนมาก่อนแม้ผู้มีพระคุณจะมีความผิดใดๆก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปโปรยปลายต้อนรับไม่เหมือนกับคนบางคนเมื่อเห็นว่าผู้มีพระคุณจะมีความผิดพลาดบกพร่องเอผลอไผลไปบ้างก็แสดงอาการแข็งกระด้างแล้วก็กลับติชินนินทาซึ่งอันนี้อยากจะฝากไว้ให้ ท่านผู้ฟังทั้งหลายในเป็นข้อคิดว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาทำคุณให้แก่เราเขาไม่เคยทำผิดแก่เราแต่เขาจะมีความผิดกับผู้อื่นบ้างเราจะต้องแยกกันให้ออกจะยังไรผู้นั้นก็ยังมีคุณอยู่กับเราเราจะต้องหาโอกาสตอบแทนคุณท่านอยู่เสมออย่าไปเอาความผิดจิิงนั้นนั้นเข้ามาบัทรทอน คุณงามความดีของเราเสียอย่าเอาความผิดอ น, นันต์มาลบล้างบุญคุณที่เขาเคยมีแก่เราฉะนั้นเราจะต้องมีกิริยาสุภาพอ่อนโยนและไม่ติถินนินทาว่าร้ายหรือป้ายสีผู้มีคุณเราจะมีแต่คำนิยมยกย่องทั้งต่อหน้าและลับหลัง รวมความแล้วว่าคนกระตันอยู่ย่อมรู้คุณของผู้มีพระคุณย่อมรู้คุณแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานนะอย่าว่าแต่ผู้มีพระคุณเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ย่อมรู้คุณก็ย่อมรู้คุณแม้กระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานที่เราเลี้ยงที่เราใช้ที่มันทำคุณให้แก่เราเช่นวัวควายช้างมา้าแมวสุนัขเป็นต้น ผู้ที่รู้จักคุณคุณของสัตว์ก็รู้จักใช้งานเป็นเวล่ำเวลาไม่ไม่ทรมานหรือว่าไม่ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมากมแล้วก็หาโอกาสตอบแทนให้เหมาะสมกับฐานะของสัตว์เช่นเลี้ยงดูให้อยู่ดีให้กินดีแล้วก็ปกป้องคุ้มครองให้ตลอดเวลา อย่านึกว่าเป็นสัตว์ที่จะต้องรับใช้เราก็ใช้อยู่ตลอดไปโดยไม่หยุดไม่หย่อนแม้ว่ า, าฝนตกแดดออกอย่างไรก็ไม่คำนึงถึงอันนั้นถือว่าไม่รู้จักบุญคุณของสัตว์บางคนเท่าที่เคยทราบบอกว่าเขาขนาดพัวควายนี่ถึงกับกลางมุงให้นะกางมุงให้ เขาถือว่างัวควายนี้ได้สร้างชีวิตให้เขาเกิดความร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะควายคู่นี้อถึงเวลาหยุดใช้งานก็กางมุ้งให้เรียกว่าอาบน้ําอาบท่าให้อย่างสะอาดสะอ้านทําให้อย่างดีหาหญ้าหาฟางให้กินอย่างอินมมีพีมันอย่างนี้เลยเรียกว่าเรารู้จักบุญคุณของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ตอบแทนได้เหมาะสมตามฐานะของสัตว์ฉะนั้น แม้ที่สุดคนกระตันอยู่ยังรู้คุณของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่ทำประโยชน์ก่อร่างสร้างตัวมาจนได้ดีมีสุขอันนี้มีเขาเล่าว่ามีคนจีนนะหลายๆคนซึ่งได้เข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวในประเทศไทยโดยไม้คานกระ บ, บุงตะกร้าอันหนึง่งจนเกิดมีฐานะร่ำรวยมีสุกรามบ้านช่องใหญ่โต เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ถึงกับเอาไม้คานนะั้นมาเก็บบูชาไว้ปิดท้องอย่างดีนะเอามาตั้งไว้ที่หิ้งบูชากราบไหว้อยู่ทุกวันเพราะถือว่าสิ่งนั้นเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แกเราสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับเราอ่าอันนี้แหละก็ถือว่าผู้นั้นรู้จักคุณของของสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่ทาประโยชน์ให้กับตนดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ว่า คนในโลกนี้มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งพวกหนึ่งคือผู้ที่ทำดีกับผู้อื่นก่อนพวกที่สองคือผู้สนองตอบคุณความดีของผู้มีคุณคนดีคู่นี้หาได้ยากในโลกเพราะว่าคนกระตันยูไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ทุกผินฐานเหมือนดังเพชรมณีไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ทุกภูผา หรือเหมือนกับไม้จันหอมมิใช่ว่าจะมีได้ทุกภัยสนดูแต่คนรูปสวยรูปงามอย่างเดียวยังหาได้ยากคนมีความรู้ยิ่งหาได้ยากกว่านั้นแต่จะเทียบกับคนกระตันอยู่แล้วก็ยิ่งหาได้ยากในโลกเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอบุคคลหาได้ยากอาสองอย่างคือหนึ่งุพการีบุคคลผู้ทาอุปการะก่อน สองกระตันยูกะตะเวทีผู้รู้บาการะคุณท่านแล้วทาตอบแทนก็อพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขออำนาจคุณประสีรัตนไตรจงอภิบาลคุ้มครองป้องกันให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร ความกระตัญอยู่กะตวเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดีและยินดีที่จะกระทำความดีโดยศรัทธามั่นใจคนมีกระตันอยู่จึงไม่ลบล้างทำลายความดีและไม่ลบหลุ่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อนหากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงไว้ให้เป็นพื้นฐานในความประพติปฏิบัติทุกอย่างของตนเองเมื่อเต็มใจและจงใจ กระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีดังนี้ก็ย่อมมีแต่ความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความขัดันยูกตเวทีเป็นคุณสมบัติอันสาคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคน พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหัวข้อของความกตัญญูกะตะเวทีสืบต่อจากคราวที่แล้วซึ่งได้พูดถึงเรื่องบุคคลหาได้ยากสองอย่าง คราวนี้จะพูดให้พิสดารยิ่งไปกว่านั้นโดยจะพูดเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่กับบุตรธิดาเท่านั้นเพราะว่าทุกวันนี้คนเราละเลยเกี่ยวกับเรื่องความกระตัญยูกตะเวทีไปมากด้วยเหตุนี้แหละจึงทำให้ เกิดเป็นปัญหาในสังคมปัญหาในสังคมทุกวันนี้ก็คือว่าลูกว่านอนสอนยากหัวดือ้อจึงสร้างความปวดเสียดเวียนก่าวให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ฉะนั้นปัญหานี้แหละจึงเป็นปัญหากับสังคมด้วยเหตุนี้จึงใคร่ อยากจะเตือนบรรดาผู้ที่มีพ่อมีแม่ก็คือว่าผู้ที่เป็นลูกนั่นเองให้มองเห็นความสำคัญของคนแก่นึกๆแล้วก็น่าน้อยใจเกิดมาเป็นคนแก่ไม่มีใครเหลียวแลถูกทอดทิ้งเหมือนกับว่ามันเป็นวัตจักร ตอนเป็นเด็กเกิดมาก็รู้สึกว่าว้าเวแต่ลงท้ายก็รู้สึกว้าวะเวอีกเหมือนกันถูกโรคเอาไปทอดทิ้งไปปล่อยไว้ตะหมู่บ้านบางแครบ้างบ้านพักคนชะ า, าบ้างอันนี้ได้เคยเคยไปพบมาตจำบ้านพักคนชารากับตัวเองอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ดูที่เขาไป ไปถ่ายทามาหรือว่าถ่ายทอดออกมาจากทางทีวี TV, ก็เป็นที่น่าเศร้าสลดใจคือเราจะเห็นว่าคนแก่เนี่ยถ้าหากว่าอยู่กับลูกรู้สึกมีความอบอุ่นใจอยู่กับลูกกับหลานแล้วรู้สึกสบายใจแต่ถ้าคนแก่เนี่ยไปอยู่รักกับคนแก่ท้งนั้นรู้สึกมันว้าเหว่เปลี่ยวเปล่าจิตใจ หงอยเหงาเศร้าส่้อยฉะนั้นเวลาเขาไปสัมภาษณ์ทุกคนจะพูดเป็นอันเดียวกันระหว่างคนแก่ที่อยู่ตำบ้านพักบางแคร์หรือคนจราที่ต่างๆก็ดีมักจะพูดบอกว่ารู้สึกเหงาลูกไม่ค่อยมาเยี่ยมนี่บางคนก็เราไปเยี่ยมก็บอกให้เรารีบกลับนี่กลัวคนอื่นจะเห็นว่ามีแม่แก เ, เงอะงะ เสอซาอะไรในทำน้องอย่างนั้นซึ่งนึกนึกแล้วน่าสงสารบางคนระพูดไปหน่อยก็ตื้นตานร้องไห้พูดไม่ออกภาพอันนี้แหละถ้าหากว่าคนที่มีพ่อมีแม่หรือคนที่เป็นลูกได้เห็นแล้วจะคิดยังไงนี่ขอขอให้ท่านผู้ฟังลองนึกดูว่าเรามีพ่อมีแม่แลวเอาพ่อแม่ไปทิ้งไว้ให้คนอื่นเลี้ยงอย่างนี้ แล้วคนอื่นเลี้ยงน่ะจริงอยู่แม้จะเลี้ยงดีขนาดไหนแต่ก็ไม่ใช่พ่อแม่ของเขาไอสายเลือดมันไม่ได้สายเลือดเดียวกันมันไม่เหมือนระหว่างพ่อแม่อยู่กับลูกแม้จะอดอยากบ้างแต่ความสุขใจก็มีแต่ไปอยู่ที่อื่นแม้ว่าจะกินดีขนาดไหนแต่ความสุขใจไม่มีนี่มันต่างกันมากนะมันต่างกันมากฉะนั้นอันนี้แหละ คนที่มีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยถือว่าเป็นบุญมากเป็นมิ่งขวัญกับตัวเองเป็นลาบอันประเสริฐถือว่ายังมีร่มโพ ร, ร่มใยคอยให้ร่มเงาให้กิ่งใบให้ผลให้ประโยชน์แก่ลูกนั้นอยู่ตลอดเวลาคอยปกป้องคุ้มครองกันแดดกันฝนกันภัยได้ตลอดเวลา แต่ลูกคิดไม่ถึงหน้าเวทนาน่าสงสารน่าสงสารทั้งลูกน่าสงสารทั้งพ่อแม่ที่ต้องมารับกรรมอันนั้นเลี้ยงลูกมาเก้าคนสิบคนเลี้ยงให้ลูกทุกคนจเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อลูกจเจริญรุ่งเรืองหมดทุกคนแล้วแทนที่จะเลี้ยวแลเลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนให้อยู่เย็นเป็นสุขกลับไม่สนใจเลย ไม่เหลีวแลเลยเท่ากับว่าเรานี้เป็นลูกอักตันยูคนอักตันยูไม่มีใครปรารถนาพ่อแม่เลี้ยงลูกก็หวังใจให้ลูกนั้นในเลี้ยงตนบ้างในยามที่เจ็บปวดป่วยไขย้หรือในยามที่แก่เท่าแต่เปล่าลูกไม่สนใจลูกไม่เหลียวแล นี่แหละขอให้ผู้ที่มีพ่อมีแม่ทั้งหลายฟังอาตมาพูดแล้วลองนึกดูว่าพ่อแม่นั้นมีความสำคัญกับลูกขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์ของลูกพูดง่ายๆเป็นครูคนแรกของลูก ที่สอนให้ลูกรู้จักดีรู้จักชั่วไม่มีใครในโลกนี้ที่สอนให้ลูกรู้จักดีรู้จักชั่วได้ดีไปกว่าพ่อแม่ครูที่โรงเรียนที่ว่าอบรมสั่งสอนลูกนะั้นสอนไม่กี่ชั่วโมงและการสอนนั้นไม่ได้สอนด้วยจิตใจและวิญญาณเหมือนอย่างพ่อแม่สอนลูก พ่อแม่สอนลูกสอนด้วยจิตใจวิญญาณสอนเพื่อให้ลูกเป็นคนดีมีระเบียบวินยัยฉะนั้นจึงกล้าพูดได้เลยว่าพ่อแม่เป็นครูที่เหนือครูในโลกทั้งปวงพ่อแม่เป็นครูที่อบรมสั่งสอนให้ลูกอยู่ดีกินดีเหนือกว่าครูในโลกทั้งปวง และการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่นอกจากให้ความรู้แล้วพ่อแม่ยังให้ความอบอุ่นอีกด้วยนี่ให้ความอบอุ่นอีกด้วยคือสอนด้วยวิธีปฏิบัติสอนด้วยทำตัวอย่างให้ดูแต่ครูที่โรงเรียนนั้นสอนตามหน้าที่นะสอนตามหน้าที่ไม่ได้สอนด้วยด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขแบบพ่อแม่ฉะนั้น นี่แหละจึงบอกว่าผู้ที่บอกทางดีชี้ทางชั่วให้กับลูกคนแรกนั้นก็คือพ่อแม่สมควรหรือที่ลูกจะเป็นผู้ทอดทิ้งครูคนแรกคือพ่อแม่สมควรหรือที่ลูกจะมาด่ามาโตเถียงพ่อแม่ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นครูคนแรกของลูกประการที่สอง พระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าพ่อแม่เป็นเทพพ ย, ยดาของลูกปกป้องคุ้มครองลูกหวงแหนลูกปราถนาให้ลูกมีความสุขเหมือนกับเทพเจ้าเหล่าเทพาอารักษ์ต่างๆปกป้องคุ้มครองให้มนุษย์ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ แต่พ่อแม่ย่อมคุ้มครองลูกทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นปกป้องลูกกอดลูกทำให้ลูกได้มีความอบอุ่นที่อยู่ในอกของแม่อยู่ในอ้อมกอดของแม่ถึงกระ น, นั้นลูกก็ยังมองไม่เห็นยังเห็นว่า การอยู่ในอ้อมอกของคนอื่นนั้นดีกว่าอ้อมอกของพ่อไหมฉะนั้นอกของคนอื่นหรือว่าตักของคนอื่นที่ว่าอุ่นนั้นมันอาจจะมีพิษอาจจะมีภัยอาจจะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็ได้ดังปรากฏเป็นตัวอย่างในทุกวันนี้ทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีทางสถานีวิทยุหรือ ตามสื่อสารบนชน ต, ต่างๆก็ดีเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆที่ลูกต้องน้ำตาเล็ดลูกต้องในรับความทุกข์ความเดือดร้อนถึงกับค่าตัวตายนี่เพราะอะไรก็ไม่เพราะลูกนั้นพ่อทิ้งอ้อมอกของพ่อแม่พ่อทิ้งตักของพ่อแม่ไปอยู่ในอ้อมอกหรือในตักของผู้อื่นนี่แหละจึงอยากให้ลูกทุกคน ได้เห็นความสำคัญของเทพพยายดาคือพ่อแม่เป็นบุคคลผู้สูงส่งและก็กศักดิ์สิทธิ์ควรที่ลูกจะเคารพกราบไว้สมควรหรือที่ลูกจะมาด่าว่าเทพพยายดาคือพ่อแม่สมควรหรือที่ลูกจะมาโตเถียงมาทอดทิ้งเทพพยายดาผู้มีพระคุณอย่างพ่อแม่พระพุทธเจ้า อันตรัสยกย่องว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกปกครองลูกด้วยคุณธรรมสี่ประการคือหนึ่งเมตตาความสนิทสนมปรารถนาให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาความรักความยินดีอยู่กับลูกตลอดเวลา ก็สองกรุณาความสงสารไม่อยากให้ลูกนั้นได้รับความทุกความลําบากเดือดร้อนอยากให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกความเดือดร้อนหรือพันอันตรายต่างๆสมมุติตายามลูกได้ดีพ่อแม่ก็ดีใจลูกเดินได้พ่อแม่ก็ดีใจวิ่งได้คลานได้พ่อแม่ก็ดีใจ ลูกไปเรียนได้พ่อแม่ก็ดีใจอ่านหนังสือได้พ่อแม่ก็ดีใ จ, ใจเรียนสําเร็จพ่อแม่ก็ดีใจนี่ลูกได้ครอบครัวดีพ่อแม่ก็ดีใจพ่อแม่ไม่เคยอิจฉาริษยาลูกลูกเสียอีกกลับอิจฉาริษยาพ่อแม่เอาเปรียบพ่อแม่นี่แหละเพราะลูกไม่เห็นคุณค่าของพระพรหมคือพ่อแม่ ผู้มีพระคุณอันสูงส่งถึงขนาดนี้ก็ยังมองไม่เห็นประการที่สี่อุเบกขาความวางเฉยเมื่อยามที่ลูกนั้นถึงสุกอันภัยบุญหรือว่าตกทุกข์ได้ยากเกินกำลังที่พ่อแม่จะช่วยเหลือได้พ่อแม่ก็ต้องวางเฉยฉะนั้นผู้ที่เป็นลูก ควรคำนึงให้มากว่าความรักใครในโลกนี้ไม่มีใครเท่ากับพ่อไหมที่บอกว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกก็คือว่าพระพรหมพระพรหมนั้นท่านมีสีหน้าพ่อแม่ก็มีสีหน้าแต่เป็นหน้าคุณธรรมรักลูกด้วยคุณธรรมพ่อแม่ไม่เคยไม่เคยที่จะคิดทำลายลูก ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลกูกไม่สามารถเอาอะไรมาเปรียบเทียบได้ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลกูกเปรียบเหมือนคนมีดวงตาข้างเดียวขอให้ท่านผู้ฟังลองนึกดูคนมีดวงตาข้างเดียวนั้นอีกข้างหนึ่งดีนั้นเขาย่อมหวงแหนเอาชีวิตเข้าแลกได้บอดไม่ได้อีกแล้ว ฉะนั้นพ่อแม่รักลูกเอาชีวิตเข้าแลกได้นี่เอาชีวิตเข้าแลกได้ยามลูกเจ็บปวดป่วยไข้พ่อแม่ทายแทนได้พ่อแม่ทำหรือยามลูกมีอันเป็นไปทาว่าพ่อแม่ตายแทนได้พ่อแม่ก็ยอมนี่อันนี้แหละเป็นเครื่องชี้เห็นว่าน้ำใจของพ่อแม่ที่ว่าเป็นพระพรมของลูกประเสริฐเหลือเก้อ นะประเสริฐมากคาว่าพระพรหมเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐผู้สูงส่งแต่ลูกก็มองไม่เห็นพ่อแม่ที่ว่าเป็นพระพรหมมองไม่เห็นคุณค่ามีตัวอย่างที่จะให้ท่านผู้ฟังนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนลองเลือกดูว่าความรักของพ่อแม่เอาชีวิตเข้าแลกได้มีเรื่องหนึ่งพ่อแม่ ครอบครัวหนึ่งมีลูกอยู่สองคนลูกนั้นยังเล็กอยู่คนหนึ่งยังอยู่ในเปลอีกคนหนึ่งพอเดินได้พ่อแม่ก็ไปเกี่ยวข้าวอยู่ก็ไม่ห่างจากบ้านเท่าไรนักลูกยังเล็กก็ซนเห็นมแมลงวีมันเกาะจำชายข้างแฝดจำชายแฝดชายขาก็นึกว่าเป็นผึ้งก็เลยเอาไม้ขีดไปจุดเข้าไฟก็ไหม้เพิ่ขึ้นทันที เมื่อไฟลุกไหม้มากชาวบ้านใกล้เคียงก็วิ่งกันมาช่วยดับไฟประมาณสองสาร้อยคนก็ปรากฏว่าได้เอาลูกคนโตลงมาได้แต่ไม่สามารถจะเอาคนเล็กที่อยู่ในเปลซึ่งอยู่ในเรือลึกเข้ามาออกได้เพราะอะไรเพราะไฟร้อนมากไม่กล้าที่จะเสี่ยงชีวิตเข้าไป เพราะเสี่ยงชีวิตเข้าไปตัวเองอาจจะตายทำไมจึงไม่เสี่ยงชีวิตเข้าไปเพราะไม่ใช่ลูกนี่เพราะไม่ใช่ลูกแต่พ่อแม่พอรู้ว่าไฟไหม้บ้านทิ้งเคียวที่เกี่ยวข้าวิ่งสุดชีวิตเลยตาก็ตะกอนร้องไปเลยว่าให้เอาลูกฉันลงทีให้เอาลูกฉันลงจากบ้านทีพอมาถึงหน้าบ้านก็ถามเอาลูกฉันลงหมดแล้วหรือยังสองคน เสียงตอบพร้อมกันบ่าว่าเอาคนตอลงมาได้แค่นั้นแหละท่านผู้ฟังแกไม่ได้คำนึงถึงว่าไฟกำลังลบทผมอยู่ควันกำลังกลบเต็มบ้านแม่ได้วิ่งลุยไฟเข้าไปอุ้มลูกที่อยู่ในเปลแต่อนิจจาหน้าสงสารนี่แหละชีวิตของแม่รักลูกเอาชีวิตเข้าแล อุ้มลูกออกมาจากเปลได้แต่ก็ไม่พ้นจากไฟไฟคลอกตายหมดทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูกน่าสงสารจริงๆนี่เป็นเครื่องชี้ให้เห็นยังเด่นชัดเลยว่าชื่อว่าลูกแล้วพ่อแม่เอาชีวิตเข้าแลกได้แต่มีลูกสักกี่คนที่จะเอาชีวิตเข้าแลกกับพ่อแม่ มีกี่คนมีแต่จะเอาเปรียบพ่อแม่ยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ไม่เคยเหลี้ยวแล้วไม่เคยเลี้ยงดูลอยให้พ่อแม่ต้องลําบากอดๆ ด, ดยากยาําบากเหลือเกินนี่ขอให้ท่านลองนึกดู ว่าในโลกนี้ยังมีใครอีกหรือที่รักเราเกิดไปกว่าพ่อแม่คนอื่นเขารักเราเขาหวังการตอบแทนแต่พ่อแม่รักลูกไม่หวังการตอบแทนหมดค่าข้าวค่าน้าค่าเลี้ยงดูค่าน้ำนมไปเท่าไรไม่เคยเรียกค่าตอบแทนส่งเสียให้ลูกเรียนค่าเสือ้อผ้าอภรรคค่าหนังสือก็ไม่เคยหวังการตอบแทนทางนั้น แต่คนอื่นรักลูกหวังการตอบแทนเป็นต้นว่าเขาดูก่อนว่าลูกของเราเนี่ยสวยไหมหลอม่อไหมถ้าไม่สวยไม่หล่อเขาก็ไม่รักแล้วเขาก็ดูต่อไปอีกรวยไหมถ้าไม่รวยเขาก็ไม่รักเขาก็ดูต่อไปอีกมีความรู้ไหมถ้าไม่มีความรู้เขาก็ไม่รักนี่ นี่คนอื่นนะเขารักลูกเราเขาดูอย่างนี้ถ้าไม่สวยไม่หลอมถ้าไม่สวยไม่รวยไม่มีความรู้เขาไม่รักเราก็เป็นคุณหญิงนอกคำเนียบไปไม่มีใครเหลียวแหล่แต่ว่าพ่อแม่ของลูกนี่สิลูกจะสวยหรือไม่สวยก็ตัดลูกจะรวยหรือไม่รวยก็ตามลูกจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็ตาม พ่อแม่รักลูกด้วยความสนิทใจรักลูกไม่มีอะไรเคลือบแฝงรักลูกด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองแต่ลูกก็มองไม่เห็นซึ่งค่าในน้ำใจของความเป็นผู้เป็นพระพรหมของลูกที่รักลูกหวงแหนลูกปกป้องลูกคุ้มครองลูกเอาชีวิตเข้าแลกกับลูกได้เรามีแฟนมีคนรัก ถ้าหากว่าเราเกิดอุบัติเหตุหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดจะมีใครที่จะสามารถแต่งงานกับเราที่แขนขาดขาขาดมีไหมไม่มีนี่แต่พ่อแม่ถึงลูกจะเป็นอะไรแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดก็ยอมรับว่าเป็นลูกเลี้ยงรู้ว่าเป็นลูกนี่ฉะนั้นอันนี้เลยขอให้คนที่มีพ่อมีแม่คิดให้ดีก่อนที่จะจากพ่อแม่ ก่อนที่จะละทิ้งพ่อแม่ทุกครั้งที่จะพูดกับพ่อแม่ต้องนึกว่าพ่อแม่นั้นเป็นครูของลูกเป็นเทวดาของลูกเป็นพระพรหมของลูกอย่าเห็นว่าพ่อแม่เป็นหัวหลักหัวต่อหรือเป็นตัวอะไรอย่างนั้นไม่ได้นี่พ่อแม่เป็นผู้สูงสุดนะต้องเคารพให้มากยามเราเป็นเด็กเป็นอ่าเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่ก็คอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา เหลือบยุงลิ้นไรไม่ให้ใต่ตอบกลัวว่าลูกจะลําบากอันนี้ขอประทานโทษขอเอาตัวเองเป็นประกันได้เลยว่าจำได้แม้ว่าตัวเองนี้จะเป็นหนุ่มรุ่นแล้วสมัยอาตมาเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นนอนบ้านคนละหลังกับพ่อแม่พอตกประมาณสักห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนพ่อแม่จะถือตะเกียงเนี่ยเอามาส่องดูว่าลูกจะนอนนอกมุ้งหรือเปล่า ยุงจะกัดหรือเปล่าก็จะเอาตะเกียงมาแล้วแม่ก็จะพูดพึมพำพึมพำว่านอนแล้วชอบพิงมุ้งจงอ่ายุงก็กัดเนี่ยบางทีเท่ามือไปตบยุงตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกตัวเ น, นี่ขนาดพ่อแม่แก่แล้วนะลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วยังคอยอดูเหลือบยุงดิ้นร้ายให้กับลูกแล้วมีลูกสักกี่คนที่ว่าพ่อแม่แกแกแล้วไปนอนแล้วก็ไปคอยส่องดูยุงให้กับพ่อแม่เนี่ยมีสักกี่คนหายยาก นะหายากแต่ลูกก็ยังมองไม่เห็นพระคุณของพ่อไหมนี่แหละลูกมันมีเวรกรรมมากโลกประเภทนี้มันมามาม า, มาจากที่ต่ําโน่นมาจากอบายภูมินะมันเกิดมาจากที่ต่ำถ้าเป็นลูกเกิดมาจากที่สูงมาจากเทวดาแล้วก็มักจะเห็นคุณค่าและประการสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าพ่อแม่ เป็นอาหุนเนยบุคคลของลูกที่ลูกควรจะนำข้าวน้ำเสื้อผ้าอาพรท่อนสบายยูกยาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเอาเข้ามาบูชามาบำรุงบำรเรอ่อพ่อแม่ให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่มีใครที่เลี้ยงพ่อแม่จนกระทั่งตายให้อยู่ดีกินดีนี่หายะพอพ่อแม่แกหน่อยแล้วเอาไปฝากไว้ที่อื่นแล้วนี่เห็นไหม่อทิ้งแล้ว ลูกไปหาความสุขกันส่วนตัวนี่เป็นอย่างนี้หมดเลยฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ว่าพ่อแม่นี่แหละเป็นพระของลูกไม่ใช่พระธรรมดาไม่ใช่พระตามวัดวาอารามต่างๆท่านเปรียบว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกที่ลูกควรเคารพ บ, บูชาอย่างยินี่เป็นพระอรหันต์ของลูก ธรรมดาพระอรหันต์นั่นท่านหมดกิเลสตัณหาแต่พ่อแม่ไม่หมดกิเลสตัณหาทำไมจึงยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์เป็นตรงที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่หวังการตอบแทนอะไรทั้งสิ้นพระอรหันต์เหมือนกันทําคุณแก่ใครไม่หวังการตอบแทนพ่อแม่เหมือนกันทําคุณแก่ใครไม่หวังการตอบแทนนี่ใจของท่านเหมือนกับพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระอรหันต์ของลูกฉะนั้น พระทั่วๆไปไม่ใช่พระอาหารหันต์นะเป็นพระอระหนมุนนะยังหมุนไปหมุนมาตามโลกตามสังคมอยู่แต่ว่าพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ที่มีจิตใจมั่นคงแม่ลูกจะไม่เลี้ยงพ่อแม่ก็อยู่ได้นะปล่อยให้พ่อแม่กินข้าวกับเกลือพ่อแม่ก็กินได้นะนอนในกระต๊อกระท่อมเล็กๆ อ, อับๆพ่อแม่ก็อยู่ได้นี่จิตใจของพ่อแม่มั่นคงจริงๆนะแต่ลูกบนแหละ นบนแล้วกินไม่ดีก็หาว่าพ่อแม่ไม่ทำอาหารให้กินนี่พ่อแม่ต้องทำงานอาบเหงื่อตังน้ำเลี้ยงลูกกลัวลูกจะน้อยหน้าเขาเพยายามสร้างฐานะทุกสิ่งทุกอย่างนี่แต่ลูกนั้นก็เกิดมาก็ได้รับความสะดวกสบายจากพ่อแม่ก็มองไม่เห็นฉะนั้นขอให้คนที่มีพ่อมีแม่จงนึกเสียวว่ามีพระอรหันต์ที่หน้ากราบหน้าไว้ คนที่กราบไหว้พ่อแม่อยู่ตลอดเวลาคนนั้นจะมีแต่ความเจริญคนที่เลี้ยงพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญนักปราบัตท่านกล่าวไว้ว่าเราทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานร้อยครั้งได้บุญสู้กับทำกับคนธรรมดาครั้งเดียวก็ไม่ได้ทำบุญกับคนธรรมดาร้อยครั้งได้บุญสู้กับทำกับสมณเน์ครั้งเดียวก็ไม่ได้ ทำบุญกับสมณะเนรร้อยครั้งได้บุญสู้กับทำกับพระครั้งเดียวก็ไม่ได้ทำบุญกับพระร้อยครั้งได้บุญสู้กับทำกับพระอรหันต์ครั้งเดียวก็ไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันตร้อยครั้งได้บุญสู้กับทำกับพระพุทธเจ้าครั้งเดียวก็ไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าร้อยครั้งได้บุญสู้กับถวายเป็นสังฆทานทานเพื่อสง์ไม่เจาะจงครั้งเดียวก็ไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ายังเจาะจงแต่ถวายเป็นสังฆทานไม่เจาะจงนี่แหละ ชาวพุทธเราจึงนิยมการถวายสังฆทานทานเพื่อสงฆ์นะทานเพื่อสงฆ์หรือบางทีทําบุญสะดอกเคราะห์ต่อชะตาจึงถวายเป็นสังฆทานถือว่ามีพละอดิสงฆ์มากเพราะเหตุอย่างนี้ย้อนไปนิดหนึ่งว่าทําบุญกับพระสงฆ์ร้อยครั้งได้บุญสู้กับทำพระอรหันต์ครั้งเดียวก็ไม่ได้แล้วใครเป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนี่ก็แสดงว่า ลูกทำบุญกับพ่อแม่ครั้งเดียวดีกว่าทำบุญกับพระที่วัดตั้งร้อยครั้งเห็นไหมนี่มันต่างกว่ากันมะพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะเดี๋ยวอย่านึกว่าเอ๊ะนี่มาบอกว่าทำบุญกับพ่อแม่ครั้งเดียวดีกว่าทำบุญกับพระตามวัดตั้งร้อยครั้งงั้นต่อไปนี้เลิกใส่บาตร ท, ทัทีเลิกทำบุญกับพระที่วัด ท, ทัทีเสร็จกันพอดีนะอย่างนี้พระที่วัดแย่ yeah. นะขอให้ฟ okay. so no, on ังให้ดีพระที่วัดน <les> ่ะโยมบ้านเหนือไม่ใส่ให <vivo> ้โยมบ้านใต้ก็ใส่ใส่บาทให้โยมบ้านใต้ไม่ใส่โยมบ้านตะวันตกก็ใส่โยมบ้านตะวันตกไม่ใส่โยมบ้านตะวันออกก็ใส่ต้องมีอยู่บ้านหนึ่งช่ละต้องใส่ให้กินนะแต่พระพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกที่อยู่บ้านถ้าลูกไม่ให้กินแล้วใครจะให้กินนี่เะฉะนั้นลูกต้องต้องให้พ่อแม่ต้องให้พระอรหันต์นะ ถ้าโลกไม่ให้แล้วใครจะให้คนอื่นเขาก็นึกว่าขนาดโลกมันยังไม่เลี้ยงแล้วใครจะมาเลี้ยงนี่เราควรจะคิดถึงข้อนี้นะควรจะคิดถึงข้อนี้ฉะนั้นจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มอกเต็มใจเลยว่าเราทําบุญกับพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ในเท่ากับเลี้ยงพระอาหารหันต์และได้บุญมากเหลือเกินนะฉะนั้นคนที่มีพ่อแม่อยู่ก็เท่ากับว่ามีพระอาหารหันต์ที่คอยกราบไหว้บูชาทุกครั้งเรากราบพ่อแม่ พ่อแม่จะให้ศีลให้พรเรานะให้ศีลให้พรเราเราจะมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาเลยฉะนั้นขอให้เราคานึงถึงข้อนี้นะอย่าทิ้งพ่อแม่อย่าด่าพ่อแม่อย่าเถียงพ่อแม่เห็นไหมที่สถานีวิทยุทางพนหนึ่งประกาศมาเมื่อต้นปีใหม่ว่าพ่อแม่ได้เลี้ยงลูกของลูกอีกทีหนึ่ง ปรากฏไว้ลูกมันซนนะพูดว่าเลี้ยงหลานนั่นแหละหลานมันซนพ่อแม่ก็ตีฝ่ายพ่อแม่จริงๆนั้นพอรู้ว่าพ่อแม่นั้นไปตีหลานเขาหรือตีลูกของตนเข้าไม่พอใจก็เถียงกันไปเถียงกั น, กนมานล้วเขาก็ลงไม้ลงมือกันอ่าก็เลยหาว่าพ่อแม่เนี่ยมาตีลูกของตนเกินไปอพ่อแม่เขาบอกว่าลูกเองดื้อเนี่ยปรากฏว่า เตกันไปเตะกันมาพ่อแม่สู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีไปลูกก็ขับไปตบไปเตะขอประทานโทษถึงกับใช้เท้าแต่อีกด้วยผลที่สุดลูกก็ขับแม่ลอดไปทุนบ้านไปเหตุการณ์อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแผ่นดินได้แยกขึ้นทันทีสูบเอาไอ้ลูกนั้นไปครึ่งตัวนี่เห็นไหมมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เหลือเกินนี่วัยบาป ท, ที่คนทํากับพ่อแม่มันหนักมากแม้พื้นแผ่นดินก็ไม่สามารถจะรองรับคนอักตันยูไม่รู้จักคุณค่าของพ่อแม่ นี่จึงสู้พ่อแม่ให้จมธรณีไปจมแผ่นดินไปนี่แม้แต่ชาวบ้านจะมาช่วยเข้าใกล้ไม่ได้มันร้อนรุ่มไปหมดเลยเหมือนกับมีกองไฟเอาเชือกเอาอะไรมาผูกมาฉุดก็ฉุดไม่ขึ้นแล้วเหตุการณ์ก็อจจจัศจรรย์อีกนั่นแหละแต่พ่อแม่เข้าใกล้ได้ไปป้อนข้าวให้ลูกได้เห็นไหมไม่พ้นพ่อแม่อีกแล้วนี่แม้ขับตีพ่อแม่อยู่ไปเดียวนั้นแหละแต่พ่อแม่ต้องกลับมาป้อนข้าวเห็นไหม น้ำใจของพระอาหารคือพ่อแม่ไม่เคยโกรธเคืองของลูกแม้ลูกจะตีจะดา่าจะว่า่ังไรก็อาภัยให้เสมอแต่ลูกเสียอีกกลับไม่อาภัยกับพ่อแม่ฉะนั้นขอให้ลูกทุกคนนึกถึงพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ให้อยู่เย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อลูกจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเอาละบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกตเวทีเพื่อเสริมคุณค่า ในหมวดที่สองมาก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้พวกเราทุกคนที่มีพ่อมีแม่ได้เลี้ยงพ่อแม่จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ก็จะมีความ